เรื่องนี้มีเหตุผลหรือไม่จะเป็นเรื่องที่ท่านแท้จริงหรือเปล่าทเทศนากันแรกของลุงพ่อสมเด็จพระพุท ธ, ธาจาย์โตเรื่องชีวิตอปปปาติกะ แสดงเมื่อวันมาคบูชาพุทธศักราช2 5งพนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุ